بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. คำพวก و ي ายังอย سورة الأنفال، س ن ่งเป ورة ท ي ่ ي ห้อุ ا ن س ร ك ์สำคัญสำหรับผู้ศรัทธาทุกยุคทุกสม ในยามที่ประชาชิถูกรุมกินดต๊มันก็จะมีความรู้สึกเหือนความรู้สึกที่ท่านนบดุล ا อลลัลลอฮะลฮิะลลาซฮฺบนันได้ได้มีในช่วงสงครามบัตหเราได้อ่านสุรษัลอัลฟะฮ์สุรษัลอัลอิมรอนที่จะที่บายสุรษัลอัลอาซับ ที่จะที่ายสถานการณ์ของสงครามบัดสงครามอุ حد สงครามขันดกสงครามสนามเพราะเป็นสามสงครามที่มีลักษณะคลๆลักษณะของประชาชาติอิสลามในยุคที่มีศัตรูที่มารวมกินโตมาล้อม ทำลายใ ช, ะชะ่พูดแบบนี้ก็ต้องก็ต้องมาตั้งคำถามว่าเอาแล้วก็มุสลิมที่ที่เขาไม่รู้สึกถูกรุมกินตะล่ะซึ่งมันเป็นอีกฉากหนึ่งที่บางทีเนี่ยเรามองข้าม และที่จริงมันก็เป็นปัญหาสำคัญของประชาชาติอิสลามก็คือการที่มีมุสลิมที่เขาไม่รู้สึกรู้ษาไม่เดืดร้อนในสภาพความตกต่ำของประชาชาติไม่รู้สึกในอุบายที่กำลังถูกวางแผนทำลายศีลธรรมของอุมาม รู้สึกเพิกเฉยชิวๆซึ่งจำนวนที่มีความรู้สึกแบบนี้ก็ไม่น้อยในประชาชาติอิสลามเผลอๆจำนวนนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอุบายศัตรูอิสลามที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายอุมาด้วยซ้ำไปหลักธรรมชาติเนี่ย การที่มนุษย์มีความรู้สึกตื่นตัวต่อภัยมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถปกป้องตัวเองจากภัยนั้นๆมาดูระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเป็นเลือดขาวที่ทำหน้าที่เป็นทหารตลอดจน ระบบประสาทที่ประสานกับเม็ดเลือดขาวที่สามารถเฝ้าระวังสิ่งแปลกปลอมจะเป็นเชื้อโรคเป็นไวรั ส, สที่เข้าระ บ, บุกรุกร่างกายมุ่งทำลายเซลล์ต่างๆเม็ดเลือดอวัยวะภายในถ้าไม่มี เป็นเลือดขาวที่มันเตือนภัยกาทำงานของเป็นเลือดขาวนี่มันก็จะถ้าเป็นเลือดขาวมันแข็งแรงสภาพขภูมิคุ้มกันของร่างกายมันแข็งแรงมันแค่เอาสิ่งแปลกปลอมเนี่ยไวรัสหรือแบคทีเรียหรือเชืโรคเนี่ยบางส่วน เม m โมรี n a ของมันแล้วก็ส่งสัญญาณไปทั้งสมองสมองนี่ก็จะส่งกระจายการเตือนภัยให้เซลล์ทุกส่วนของร่างการยารับรู้แล้วมามีส่วนร่วมกับเม็ดเลือขาวในการที่จะในการที่จะป้องกันแล้วก็ แล้วก็ทําลายไอ้สิ่งแปลกปลอมนั่นนะถ้าเม็ดเลือดขาวซึ่งเซลล์อื่นเนี่ยไม่ต้องพูดนะมันไม่ได้มีอะไรอยู่เลยมันไม่ได้มีหน้าที่นั้นอยู่เลยแต่ถ้าเม็ดเลือดขาวนี่มันเพิกเฉยมันไม่รู้หรือไวรัสสิ่งแปลกปลอมต่างๆนี่เหมือนมั น, ม, นมันรับมือเม็เลือดขาวได้มันสามารถหลอกลวงเออ ระบบเตือนภัยของเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวนี่มันก็ไม่รู้ว่านี้คือภัยอันตรายมันก็ไม่ได้ประสานงานกับสมองกับส่วนอื่นของอวัยวะสิ่งแปลปลอมนะัม้นมัจจะเป็นไวรัสเป็นเชื้อโรคมันก็จะทำลายทำลายระบบสุขภาพของ โครงร่างกายไปเรื่อยๆนี่คือกฎธรรมชาตินะนี่กฎธรรมชาตินะกฎสังคมก็เป็นแบบนี้แหละใครล่ะที่จะต้องในในสังคมมนุษย์เนี่ยใครล่ะที่จะต้องรู้อะไรสิ่งแปกปลอมที่มันทำลายสังคมมนุษย์ออคนที่มีศีลธรรมคนที่มีความศรัทธาคนที่มีคนที่รู้บทบัทเนี่ยคนคนนี่อยู่ อยู่ในบริบทของดี a อของศิลธรรมรู้รู้เรื่องเข้าใจอ่ะแล้วถ้าหากว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยไม่เสมือนแม่เลือดขาวที่มันไม่ได้ทำนาทีส่วนอื่นของสังคมนี่ไม่ต้องไม่ต้องหวังแล้วไม่ต้องหวังแล้ว ฉะนั้นแค่รู้สึกตัวว่าเราว่าเราว่าเรากำลังถูกรุมกินโต๊ะมันก็จะสามารถมันก็จะสามารถลุกความสำนึกที่จะทำหน้าที่เตือนภยัยให้เรากำลังถูกทำทำร้ายกันนะเราต้องระวังกันนะ เฮ้ยธรรมดาเรื่องเราธรรมดาสังคมมันไ็อย่างนี้แล้วเราต้องยอมรับภาพเห็นภาพเบี้ยเฉยๆเฉๆกันบ้างไม่ต้องไม่ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรลุกหย่บไปตื่นตัวเกินไปมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่มีอยู่ในสังคมอยู่แล้วเหมือนเป็นเลือดขาว ธรรมดาไรัสท้อธรรมดาเป็นเพื่อมันเป็นมันเข้าใจาว่าเป็นเป็นเหลือดแดงเป็นอะไรนะเซลล์ของมะเร็งนี่มันก็นึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแต่นั้นเป็นเรื่องแปกปลอมมันก็ไม่ได้เตือนอะธรรมดาเฉยๆสุดท้ายเนี่ยไรอ้พยพเนี่ยมันก็จะขยายตัวขยายตัวขยายตัว โดยที่สังคมแม้ว่าจะเป็นฝ่ายความมั่นคงลเลือดขาวหรือฝ่ายอื่นๆที่ไม่ใช่มั่นคงแต่ต้องมีหน้าที่ในการในการที่จะแสดงในการที่จะแสดงแสดงความไม่ปกติเรืองขาวนี่มันมันไม่ดีอยู่ในทุกส่วนของร่างกายนะเวลาเวลามีอะไรแปลกปลอมสูดด้วยบาดเจ็บแล้วก็มี ไวรัสมีเชื้โรคเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีความความไม่ปกตินี่คือเรื่องอักเสบเนี่ยมันสืบเนื่องจากว่าพวกเม็ดเลือดแดงพวกเซลล์ต่างๆเนี่ยที่มันรู้สึกว่าอะไรมันปิดผิดปกติเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณไปเลือดขาวนี่ที่มันเป็นแต่หานักสัมันก็จะมาไปเลือดขาวนี่หลักๆของมันนี่มันก็จะเข้าไป ไปอ่านไอ้ดอของของเชื้อโรคมันไม่ใช่ว่าจะไปฆ่าเชื้อโรคอย่างเดียวนะมันจะศึกษาด้วยรู้รู้รู้หน้าตาของมันเป็นยังไงรหัสของมันนี่มันคืออะไรแล้วก็ส่งส่งส่งอะไรอะสัญญาณส่งไม่เศษให้สมองให้ส่วนอื่นเนี่ยได้รับรู้แล้วก็ส่งแล้วก็เรียกให้เม็ดขาว ใครที่ว่างใครสรุปออกมาเลยวันนี้วันนี้เลยมันจดการสิ่งแปบลบกปอมหรือว่าเธอจะเจอสิ่งแปลกปลอยู่ตรงไหนนี่นะดีเอ็นเอหูมาเนี่ยงี้นะอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเป็นเลือดแดงอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมมันเป็นเรื่องอันตรายนะ จึงจะเข้าใจว่าในคุรานนี่ทำไม <c oughs> ทำไมเหตุการณ์ที่นบีและสฮาบบะได้ประสบในช่วงแรกในการก่อตั้งสังคมสังคมที่ทมีที่มีสุขภาพแข็งแรงกล่าวคือสังคมที่มีเม็ดเลือ ด, ดขาวที่ทำงานอย่างปกติเนี่ย มีศักยภาพในการเตือนภัยเราจะต้องเอาเอารูปแบบที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยแล้วอุษอ่านเอามาเอามาเล่าเนี่ยมาเป็นมาเป็นมาเป็นอุทาหารณ์และนี่คือประโยชน์ประโยชน์สําคัญในการศึกษาเรียนรู้ความหมายอัยนกุศลอย่างลึกซึ้งอย่างรอบคอบศึกษาเรียนรู้ ควอัลกุรอานเราไม่ได้เรียนเราไม่ไดเรียนทฤษฎีเราไม่ไเรียนบทบทบทบัญญัติเนื้อหาของบทบัญญัตโดยโดยรูปแบบการเรียนการท่องจําการจดจำอย่างเดียว การศึกษากุอาณอ่านที่มีประโยชน์และคุณภาพี่คือการอา่านกุรอ่านพร้อมรับอุทาหรณ์ในบทเรียนใดรหัสกุญแจที่สามารถไปเตือนภัยต่อแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้สังคม ครอบครัวของเราสังคมของเราต้องต้องรับประยุกต์ผมหรือนักวิชาการคนไหนที่เขาจะสอนกุรานในยุคนี้เนี่ยก็ไม่มีความสามารถที่จะสอนเนื้อหาความหมายกุรานอย่างครบถ้วนเรามาพบกันทุกวันอังคาร เดี๋ยวพบกับพี่น้องผู้ชมทุทิศทุกครั้งเนี่ยผมไม่สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ในคุอตานั้งหมดหรือแม้กระทั่งคำอธาาิบายของผู้รู้ของอุลมะทั้งหมดแต่ที่ผมสามารถถ่ายทอดได้นี่ก็คือรหัสเจแจ พี่น้องที่เรียนรู้กุรานผมเนี่ยก็จะต้องก็จะต้องกระทืร้ร้นต้องเพิ่มสักยภาพในการที่จะใช้รหัสและกุญแจที่ได้จากความรู้เนี่ยในการขยายความสามารถของตนเอง เ, เมื่ออ่านสุราอื่นในคุรานหรือเมื่ออ่าน สุราหนีแหละองเช่นน้ำฟ้าลีนะสุอายที่ิบสองวันที่สิบเอ็ดก็แกันนะที่สามสิบจนฮิญเราจะไปอยู่ในมุฮัรรัมจนรับีอัลอัลวัลเนี่ยตรงนี้เราก็จะข้ามไปละเราไปอยู่โน่ไปอยู่สุราอัตโตบาลละแต่พวกเราทุกคนนี้ก็อ่านคุตอ่านเรื่อย อ่านจบแล้วก็มาอ่านมาเริ่มใหม่ใช่ไหก็ใช้กุญแจที่เคยมาศึกษาวันนี้เนี่ยใช้กุญแจใช้รหัสเนี่ยในการที่จะทบทวนครั้งหน้าครั้งต่อไปถ้าเราได้มาอ่านซ้ำอีกครั้งแล้วเราจะได้ประโยชน์มากกว่าอย่าให้การเรียนรู้กุรอ่านที่มันมันแบบว่า ม, มันไม่มีไม่มีประสิทธิไม่มีประสิทธิผล เราไม่มีประสิทธิผลนี่หมายถึงว่าเห็นตัวอักษรเห็นคำเห็นประโยคเห็นเนื้อหาที่มันไม่สามารถก้าวกระโดดมาอยู่ในภาคความเป็นจริงของชีวิตของเราพระคุรอ่านเนี่ยไม่ใช่คำพูดของมนุษย์มันไม่ใช่หมึกที่เขียนไว้ใน กระดาษในตำลับตําราแต่มันเป็นพระ ด, ดํารัสของพระเจ้าที่ใหญ่เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มิหบาดะอุเรานนี่มาจากอัลลอฮ์ถ้าเราไม่ให้ความสําคัญไม่ให้บทบาทกับการอ่านเหนือกว่าการที่เราจะอ่านเหนือกว่าการที่เราจะฟังเหนือกว่าการที่เราจะจะรู้ความหมายแบบ ง, ง่าย การที่เราจะขยายอุดอาุให้มีบทเรียนและสามารถสร้างประโยชน์กับชีวิตของเราครอบครัข ว, ข, วของเรากับสังคมนี่นะการเรียนรู้อุดหนุเนี่ยมันก็จะไม่ต่างกับการเรียนรู้คำพีในรุ่นก่อนยุค ก, ก่อนของชาวคำพีที่อามริกันนี่วินหุมอุ้มมียูนะ لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا ظنون. ظ ن ن ك ا م ب ي ن الكتاب ن م ي ه أ و ن ا أ الله ي و ن ل ا ه ل ل ت ه ل ا يعلمون إلا أمانية. لا ي ن ب ه ي و ل ا يعلمون ل ا أ م ا ن ي ا ل ك ه ل ا يعلمون แต่ Allah บอกว่าอุมมิยูนะเท่าก็อ่านไม่เป็นพราะนี่คือสภาพของคนที่อ่านเป็นแต่ไม่ได้ไประโยชน์ไม่ได้ไประย์เพิ่งอ่านรู้นี่เพิ่งอ่านคู่มือสุปกฎหมายจรากฎหมายจราจร อ, อย่างเงี้ยอ่าผ่าไฟแดงอ่ปรับ5้าพันเพิ่งอ่านที่นี่เนะอ่าง่า พาเฉ้เลยโดนห0าพันสะมุดนะแล้วก็ที่อ่านไปเนี่ยก่านเป็นเมื่อผ่านมันเข้าสมองเข้าแต่ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้สร้างประโยชน์ที่จะที่จะลดภัยให้ห่างไกลพวกเขาสุราดลำฟ้าเ น, นี่ยจึงเป็นสุราที่อยากให้พวกเราได้ ใส่ใจในการเรียนรู้เพราะมันเล่าถึงเหตุการณ์ที่น บ, บีและสหาะอิสลิมประชาชาติอิสลามตอนนั้นน่ะคล้ายๆยุปัจจุบันคล้ายคยยุปัจจุบันออเมื่อก่อนนู้นนะ่ะจำนวนน้อยเดี๋ยวนี้เราจำนวนเยอะไม่ใช่เพราะ บทบาทของมุสลิมไม่ดีอยู่ที่จํานวนท่านนบีบอกท่านนบีบอกไอ้ที่จะรุมถูกรุมกินโต๊ะเนี่ยสหายบาจแปลกใจบอกว่าทําไมเราเนาะอย่าเราตอนนั้นเราน้อย่ามันก็ไม่น้อยพวกเจ้านี่มันอันดุมเยอมากอีดินกซีรตอนนั้นพวกเจ้าจํานวนเยอะ้วยซ้ําไปตัวนกขนกุมกุซะ พวกเจ้านี่ก็เหมือนฟองฟองน้ำน้ำทะเลรหรือฟองน้ำน้าคลองที่มันมีแต่สวะมีแต่ฟองโอเซอเ ส, สเซีนน้ำท่วมที่มันไหลหล า, ลากแล้วก็ไม่มีไม่มีคุณภาพไม่เดกว่าไม่รียกว่ า, วาน้ำมีแต่สวะสตรูนี่ก็จะดูถูดูถู จำนวนมากเนื่องจากว่าไม่มีความสำคัญเพอจานวนมากที่เราคิดว่ามันมีประโยชน์นี่มันอาจจะเป็นภัยที่ทำลายจํานวนน้อยที่กําลังดิ้นรนต่อสู้จะได้ปกป้องอมาทั้งหมดเลยนะ่ปฏิกาของ ของภูมิคุ้มกันในร่างกายก็เหมือนกันบางทีไวรัสสารเซลมะเร็งเนี่ยมันหลอกมันหลอกเซลล์ในร่างกายเนี่ยให้มารับใช้รับใช้มันรับใช้สิ่งแปลกปลอมเซลลมะเร็งนี่คืออะไรก็คือของแท้ของร่างกายของเรานี่มันไม่แต่มันถูกหลอกใช้ไงจากเซล์มะเร็ง แสดงว่าบางส่วนของอุมมานี่มันอาจจะถูกหลอกใช้เพื่อมาทำลายอุ ม, มาอันนี้ไม่ต้องยกตัวอย่างให้พิสูจน์มีให้ให้เห็นทุกวันนีท้ทุกสถานที่เราได้ถึงอายาที่แ2ดสิบสองเราสุภานะวตาอาไรได้ให้ให้กำลังใจ กับผู้ศรัทธาด้วยการด้วยการสั่งใช้มาอะไรกันเนี่ยมาเป็นทหารสู้รบช่วยช่วยผู้ศรัทธาในขณะสถานการณ์ที่มันที่มันยากลำบากอิยูฮยรับบุกอีลาล์มาเิกที่อันนี้มา ثبتو الذين آمنوا سألقي في القلوب الذين كفر و الرعب ا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات إذ يوحى ربك إلى الملائكة ت ر م لك ن ا ت ي فجاء خم ج ا و بريتان أ و ك ا ن แก ملاكها ئ أني م ع ك ق و م ت ا ج كا ن ا الله ن ا روم يو كف جا دوي ที่ความสองในยังไปดิงว่าอัลลอฮ์อยู่กับมาเลย์กาอันนี้ว่าอัลลอฮ์ส่งองค์การให้มาอลย์กาฉันอยู่กับเจ้าซึ่งเจ้าจะต้องไปช่วยผู้ศรัทธาหรือโอ้มาเลก์กาเนี่ยโอ้มาเลย์กาเนี่ยไปร่วมสู้กับผู้ศรัทธาเพื่อให้เขารู้ว่าอัลลอฮ์อยู่กับเขาเพราะมาเลย์กาก็จะเป็นทหารวิเศษที่มาจากอัลลอฮ์ อัลลอฮ์จะส่งมาอะไรากันนี่ก็แสดงว่าแสดงว่าอัลลอฮ์เข้าข้างอัลลอฮ์เลือกข้างชัดเจนละ่ะไม่มีมนุษย์แต่มนุษย์นี่ที่สู้กันรบกันอัลลอฮ์ไม่เข้าข้างใครก็ใช่นี่สู้รบกันไม่มีใครมีมีศัตรูทแม้แต่น้อยทั้งสองฝ่ายอัลอจะไปช่วยใครละ่ะก็าผิดกันทั้งคู่อ่ะมีแม้ละกสงฆ์คมแบบนี้เนี่ยโอ้ส่วนมากกันนะ ที่มนุษย์ทะเลาะกันส่วนมากกันที่มนุษย์ทะเลาะกันที่มนุษย์รบกันสงครามกันก็ส่วนมา ก, กนี่ทั้งสองฝ่ายนี่ไม่มีไม่ด้ยึดมั่นในความถูกต้องในสิทธิรรมเพะนั้นเป็นประวัติการน์น่ะที่ที่อัลลอฮฺจะส่งมาอะไรก็มาเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในโลกนี้ในโลกดูเ น, นี่ยนี้ แต่ไม่ใช่หมายรวมว่าจะต้องอยู่ในยุคบรรด า, าบิอรสูลอย่ยงเดียวนะไหมยุคอื่นก็จะมีเป็นกรามัตเป็นอภินิหารเป็นการเป็นเกียรติยศเถรรสุภานวตรารส่งสัญญาณให้นักรบกสูรบนักต่อสู้ในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในความจริง ถ, ถูกรวมกินโต๊ะหรือถูกล้อมจากศัตรูนี่ เราก็จะส่งสัญญาณไม่ว่าจะเป็นอาลไายกะหรือจะเป็นสัญญาณอยาอื่นคามาอย่างอื่นเพื่อให้เขารับรู้ว่าเราอยู่ข้างเขียเขาอันนี้มากลมแท้จริงข่านั้นร่วมอยู่กับพวกพวกเจ้าด้วยอันนี้มากมประโยคนี้เป็นรหัสที่พวกเราต้องแอน้ออก มันไม่ใช่สถานภาพที่เราจะมาแอบอ้างเพื่อเรียกร้องความชอบธรรมเพราะมีบางคนนี่ก็อาจจะชอบพูดประโยคนี้ให้เราต้องสู้เอาเนาะอยู่กับเราเองรู้ยังไงเราอยู่กับเรามันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องเล็กหรือเรื่องง่ายนะที่เราจะเอาประโยคนี้ มันใช่มันต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดต้องมีการทบทวนอย่างรอบคอบอย่างถี่ถว้วนว่าเราปฏิบัติเราต่อสู้ตามกรอบตามหลักการตามขั้นตอนของมีความชอบธรรมไหมถึงจะได้ข้อสรุป จะมีอะไรที่มันเป็นข้อสงสัยหน่อยเังไงวะว่าเราอาจจะผิดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ต้องระวังในการใช้ข้ออ้างนี้ทำไมอันนี้มานอัลลอฮยู่กับอัลลอฮอยู่กับเราเนี่ยในคุรานมีอมีอยู่สองประโยคเนี่ยเนี่ยอัลลอฮ์พูดอะไรกัไปบอกว่าข้าเนี่ยอยู่กับเราอันนี้ประโยคคืออัลลอฮ์พูด أيوب لي س ا ن نبي بود ثاني اثنين إذ هما في الغار ن س و ر ة توبانية نبي نبيك أو بكر كابي و ن ت ه م ثاني اثنين سانجون إذ هما فيلا إذ يقول لصاحبه نبي بود ك و ب ك ر لا تحزن توي ساو إن الله معنا تاج الله يكرم الله كنبي เราจะบางอาจพูดประโยคนี้สั้นๆในง่ายเนี่ยในทุกกรณีที่เรามีปัญหากับใครเนเราต้องชนะอลัลลอฮ์อยู่กับเรามันไม่ง่ายมันต้องมันต้องตรวจสอบเออมันอาจจะเป็นเหตุผลที่อัลลอฮ์ะจะแช่งแล้วก็จะให้เราได้รับได้รับความล้มเหลวเพราะเราไปแอบอ้าง เหมือนเนี่ยในสังคมมนุษย์เนี่ยแอบอ้างกฎหมายแอบอ้างวงื่องสูงแอบอ้างสถาบันแอบอ้างก็ไม่ใช่ไงเอง็งเอ็งอยากจะเรียกความชอบทำให้ตัวเองเก็เลยไปแอบอ้างคนใหญ่คนโตในสังคมมานะสังคมจะได้มาเข้าข้างตัวเองเอาเราอยู่กับเรานึกว่าเออแสดงว่ามันน่าจหลอกลวงไหมล่ะแต่ตัวเองก็ไม่ใช่แต่พูดแบบนี้เนี่ยเพื่อให้คน คนอื่นเนี่ยเขาจะอ้อนี่แสดงว่านี่นะความจริงอยู่กับคนพวกนี้นะเราก็ต้องเข้าหลอกลวงสังคมไปละคนดีเยียมเกรงอัลลอฮฺระมัดระวังมากก็จะไม่ใช้คํานี้บ่อยหรือเยอะราะมัดระวังเราอยู่กับเราเอ้ไม่ต้องกลัวเราอยู่กับเราฝันใจเลิกมันใจเลิกและทำไมใช่ละ่ะ กลวแล้วถ้าไม่ใช่ะให้มีอะไรสักอย่างให้มีสัญญาณให้มีสัญญาณสัญญาณว่า Allah อยู่กับเราเนี่ยมันมีหลายมันมีหลายลักษณะสัญญาณหลักการที่เรายึดมั่นปฏิบัติคุณสมบัติของเราในการรู้หลักการน่ะรู้จริงหรือเปล่ารู้หลักการจริงเหรอเพาะบางคนเนี่ยไม่รู้หลักการเราเรายึดมั่นในหลักการ แต่ปรากฏคือเขาไม่มีความไม่มีศักยภาพที่จะรับรู้หลักการเลยแต่อ้างว่ายึดมั่นในหลักการเหมือนกันแต่ตัวเขาเนี่ยไม่มีศักยภาพมันพิสูจน์ไม่ได้ไงว่าเขายึดมั่นในหลักการจริงหรือเปล่าแม้ว่าจะเป็นภาพใหญ่โตที่อาจจะทำให้คนบางทีถูกหลอกอย่างเช่น เหตุการณ์เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ทีประธานาธิบดีตรุตรกีอร์ดูแกนประกาศประกาศว่าจะเอาพิพิธภัณฑ์ไอายาโซเฟียเนี่ยกลับมาเป็นมัสยิดเหมือนเดิมถ้าคริสออกมาโวยวายไม่แปลกเพราะเดิมมันเป็นโบสถ์แล้วก็ตอนพิชิตเมืองเขาก็เปลี่ยนเป็นมัสยิด ละหมาดมัสิดนั่น500ะห้าร้อยกว่าปีแล้วก็ช่วงที่ประเทศตรุรกีเนี่ยยกเลิกคิร์รานี่ก็เปลี่ยนมสัสยิดเป็นปวิิธภัณฑ์อยู่กับแปดสิบปีตอนนั้นน่ะก็ดีใจแค่ดีใจว่าไม่ได้เป็นมสัสยิดนะทั้งทั้งนี้ไม่ได้ไม่ได้กลับมาเป็นโบสถ์นะแค่แค่เปลี่ยนจากมสัสยิเดเแี่ยเป็นเป็นปวิทยาผลอีกเ้าก็ดีอกดีใจแล้ว แต่พอ ก, กลับมาให้เปล่กลับมาเป็นมสัสยิดนี่นะถ้าเป็นคริสต์ซึ่งมีซึ่งมีคริสต์ก็แสดงไม่พอใจแต่มันไม่แปลกนะถ้าที่แปลกที่ออกมาโวยวายมากกว่าคริสต์นะทั้งจํานวนทั้งสถาบันทั้งคนที่เป็นผู้รู้นะก็คือผู้รู้มุสลิมในอาซฮะในซาอุาอออดี กว่าการเปลี่ไปโซฟียานี่ห้กลับมาเป็นมัสยิดลยูไม่ไดนไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเพราะเป็นสถาบันเป็นผู้รู้ที่เขาอ้างว่าเขาอ้างว่าเขาเขบดเขาบอกว่าฉรานฉรานแปลว่าอะไรเฉริยะไงขงเขาโดยบทบัญญัติอ้างความจริงอ้างความชอบธรรมของศาสนาไง หลอกลวงชาวบ้านโดยใช้ศาสนานี่แหละมาหลอกลวงก็เหมือนนี่แหละอินนัลลอฮ์มาอัลลอฮ์อยู่กับเราอ้างความชอบทรรให้ให้ตัวเองอ้างว่าอัลลอฮ์อยู่กับเรารู้ยังไงอ่ะอ้างอ้างหมดบัญญัติได้ไงอ่ได้ไ ง, ง, งโซเชียลนี่ก็มีพวกพวกที่ไม่ไดีเคร่งศาสนาอะไรเลย มุสลิมที่ไม่เคร่งศาสนาอะไรก็เลยไปรวบรวมมัสยิด ท, ที่ถูกที่ถูกเปลี่ยนเป็นโบสถ์มัสยิด ท, ที่ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์มัสยิด ท, ที่ถูกเปลี่ยนเป็นเป็นผับเป็นบาร์เป็นเป็นคาราโอเกะและ้วก็เผยแพร่บอกว่าทาำผู้รู้ของเราหน่อย และวก็บริณียืดยูซูชร์รนไหบบริณีเนี่ยตามเริงานมันพวกพวกเ อ, อ้าปากอากาอ้าปากพูดบ้างไหมมันเจ็บตรงนี้ไงฉะนั้นไม่ต้องคาดหวังในท่าทีของมนุษย์ถ้าหาว่ามนุษย์คนนั้นมันไม่มีสัญญาณบงบอกว่าเขายึดมั่นในหลกักกาศาสนา สถาบานองค์กรไหนไหนไหนแต่ไหนแล้วถ้าพี่น้องสังเกตหมตอนพูดสถาบันไหนไหนเนี่ยเวลาเขาไม่ค่อยหรือผู้รู้เนี่ยดูท่าทีของเขานคืออย่าไปดีใจมากเวลาผู้รู้เขาพูดอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยพวกรัฐบาลพวกรัฐบา ล, บาลโปรโมทผู้รู้คนหนึ่งน่ะต้อทุกครั้งที่เขาจะโปรโมทผู้รู้นะตอนนั้นน่ะผมนี่จะกลัว อว่าอันนี้มันไม่ยืสัญญาณรัฐบาลเนี่ยมันชอบศาสนาชอบภูรู้ไม่ใช่พวกนี้นี่ลึกมันเล่นเกมลึกเตรียมโปรโมทภูรูพอเดียต้องใช้สักวันหนพอโปรโมทแล้วเนี่ยในสิ่งที่ประชาชาิอิสลามเนี่ยเขาชอบกันหมดแล้วเห็นไหมนี่ดูเขายกย่องภูรู้ของเราพอสุดท้ายเนี่ยไอ้ภูรู้นั้นแนะ่ะที่ถูกยกย่อ ง, องที่ถูกโปรโมทดันนะนะ บอกว่าตัวตัวแตวที่หักคอศาสนาเลยลับคอเลยไม่ละสังคมจะรู้เลยว่าเหตุผลน่ะทำไมถูกโปรโมตตอนนั้นสัญญาณจะรู้ว่าเราอยู่กับเราหรือไม่อยู่กับเราเนี่ยยึดมั่นในหลักการซึ่ง ตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ของใครที่จะให้คะแนนให้ตำแหน่งให้ให้เครดิตเมื่อสถาบันนั้นหรือคนคนนั้นให้เครดิตแล้วก็แสดงว่าจบเขาไม่มันเป็นมาตรฐานที่ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ต่อเมื่อกุรอ่านนี่นะอะอยู่ในโลกอยู่ในสังคมอะนะใครจะประโมทใครได้ แต่มันต้องมีมาตรฐานเพราะหมดไปดิยกย่องไปดิได้มีปัญหาแต่ต้องมีมาตรฐานถูกต้องเป็นผู้รู้แอบอ้างไม่ต้องใช้คำว่าแอบอ้างจะประกาด้วยตัวเองนี่เป็นอะไรตัวเองเป็นมุสลิมอ่านี้ไปใหญ่นะประกาศได้แต่ใช่มุสลิมหรือไม่ใช่เนมันมีมาตรฐานไงและมาตรฐานเนี่ย ผู้คนตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้ฉะนั้นใคร อ, อ่ะใครอ้างว่าเป็นมุสลิมแต่เราเห็นเขาเนี่ยไปกราบจะเวดเปร์นั้นน่ะนะเรามีมาตรฐานว่าที่จะรู้วบบ่าเอ็มเอฟพีมันไม่ใช่มัไม่ใช่มุสลิมนี่เฮ้ยมุสลิมไงนั่นน่ะเขามีใบอิสลามจากสำนักโน้นสำนักนี้เนี่ยเขาในบัตรประชาชนนี้เขียนมุสลิมใช่มันมันใช้รับรองได้ครับใช่เรามีมาตรฐานคนในสังคมในโลกทั้งหมดนี่ก็สามารถตรวจสอบได้ ไมไ่เป็นการการันตีมาตรฐานอยู่ตรงนี้ขึ้นป้ายนี่ถ้าไปาเป็นมุสลิมไปเป็นซุนน่าฉันเป็นซุนน่ามาได้ี่ปัญหาไม่ขัดข้องแต่มาตรฐานซุนน่านี่มันก็ไม่ใช่ว่าตัวเองมีช่องทีวีหลายช่องมีช่องวิทยุมีมีอะไรแล้วก็ขึ้นป้ายป้าย อะไรอัลสุนนะนี่อย่าเล่นนะฮะพวกสุนนะอะไรสุนนะอะสุนนะแล้วก็เก็บเป็นสุนนะงั้นเหรอเราไปดูพฤติกรรมไปดูอะไรและการตรวจสอบเนี่ยก็ไม่ใช่อภิสิทธิ์ขององค์กรหนึ่งองค์กรใดประเทศหนึ่งประเทศใดอ๋อในประเทศนี้เขารับรองอุลามะประเทศนี้เขารับรองเกี่ยวให้รับรองไปสิแต่สุดท้ายที่เราเห็นเห็นนะโดยมาตรฐานที่เรามีในคุตตา ในฮาดีสงท่านนะบิสุว่าไม่ใช่ ก, ก็จะไม่ใช่อ้างเป็นสารลับอ้างเป็นคนดีอ้างเป็นอย่างงานุนอ้างไม่ได้กระไร้อ้างไปดิอ้างไปสุดท้ายยัางก็ต้องเป็นมาตรฐานเราจะทำยังไงให้การอ้างนี่ มันมีความโปร่งใสแล้วก็มีความถูกต้องมากที่สุดคือเราต้องสร้างจนันญาบัตรคนที่ทํางานเนี่ยคนที่ทํางานศาสนาคนที่ทํางานคนที่เผยแพร่อิสลามเนี่ยถ้าเขามีจนันญาบัตรก่อนนี่เขาจะอ้างอะไรก่อนนี่เขาจะพูดอะไรเนี่ยเขาต้องตรวจสอบตัวเองพูดว่าจกกากการกระทําของเขานี่มันสอดคล้องกับ ตัวบนหลักฐาน่าก็อ้างแล้วะนะเมื่อถูกตั ว, ต ว, ตวสอบแตใครก็ได้ในโลกเนียหักล้างข้ออ้างไม่ได้ฉะนั้นผมมองว่าคนที่ตัวเขาเองเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดกับหลักการที่สุดนี่นะครับลองสัง เ, เงกตดูนี่เนี่ยมองคนที่จะใกล้ชิดกับหลักการจะสีานามัมากที่สุดเนี่ย คือคนที่อ้างโนอยอ้างโนยแอบอ้างโนยเพราะตรวจสอบตัวเองนี่เกรงกลัวว่าจะไม่ตรงก็เลยไม่อ้างไม่อ้างดีกว่าทำไมอ่ะให้อัลลอฮ์สุบฮานาฮวาดาลเป็นผู้ถ้าถูกถามว่าแองเป็นมุสลิมเปล่าฉันหวังว่าเป็นมุสลิมนะเฮ้ยฉันไ ม, ไม่ไม่มั่นใจว่าตัวเองเป็นมุสลิมยังไง ฉันไม่รู้ว่าฉันครบถ้วนหรือเปล่านี่ไม่ใช่คําพูดของขอ ง, ของคนที่อ إ ي م านอ่อนแอนะอิหม่าอิอูมมอนไตเมียเป็นคนที่ต่อสู้เพื่ออิสลามแค่ไหนนะบอกกับลูกสิษโบสถาสิบปีเนี่ยข้าพเจ้าทบทวนอิสลามของฉันเนี่ย ว, ว่าครบไม่ครบคนระดับนี้เนี่ยเขาทบทวนอิสลามนะท่านเป็นสุนน์หนาหรือเปล่าหวงว่าจะเป็นสุนน์หน้าผ ม, ไ, ไ, มไม่แน่ใจใครคนนี้มา คุนู้นไม่ใช่คนนู่นไม่ใช่แล้วใครอะ่ะ <ت> ต <ص في ق> าบอดนี่ไงไม่เห็นนี่ไงป้ายมาเลิมอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นนึ่งคนดีอ้างเยอะพูดเยอ ะ, ะพูดเยอะเอาว่าฉันอยา่างงูฉันอยา่างงี้องค์กรของฉันอยา่างงูอย่างงี้เลยนะส่วนมากมากันั่นก็จะ เ, เห็นว่านี่คือสิ่งที่ท่าน The Prophet Muhammad صلى الله عليه و س ร م บ้าเราเนี่ยทับศัพท์เลยอูย่าตาผู้รู้เนี่ยสั่งสอนกันมาแล้วเราก็ใช้กันทับศัพท์เลยวเราะวาระนี่คือเกรงกลัวคนนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยไม่บางอาจวเราะไม่แอดไม่แอดอ้าไม่ชอบอักไม่ชอบโปรโมตตัวเองไว้เฉยคนนี้มีวเราะทุกคนเนี่ยพเราทุกคนเนี่ยต้องมีไม่มากก็ต้องมีต้องมีอ่ะไม่มากก็น้อยอะไรอ่ะวเราะ อัลวร่เป็นสิ่งที่หายากมากในในโลกปัจจุบันทุกเรื่องนะวราเนี่เก่งกัวเรื่องอะไรเรื่องหาอะไรได้อย่างไรได้ระวังเรื่องอะไรได้หาะรอมอะไรมัดระวังอะไรเอาปากท้องอะไรที่มันฮาลานฮะรอมอ่ะฮะวร่าเรื่องกล่าวหาคนอื่นคนคนอื่นนู่นไม่แฉ ค, ค, คนนู่นไม่แ่คนนั้นไหม วาระในการโปรโมตตัวเองตัวเองอย่างงูตัวเองใช่ตัวเองเราต้องมีเรื่องหัวโดยเฉพาะในเรื่องที่มันเป็นข้อตำหนิที่สุดก็คือตกนรกตัวราราและข้อชื่นชมชื่นชมที่สุดก็คือเข้าสวรรค์ตัวรารา ฉะนั้นสองอย่างเนี่ยที่เป็นอัคดีได้ของอลัลลอซุนตะวัลจะมานี่ชาวซลับเนี่ยอลัลลอซุนตะวัลจามานี่ไม่ชีวรรน้อยเนี่ยวระมากเลยเรื่องเนี้ยจะไม่ตัดสินเลยให้ตัวเองหรือให้คนอื่นว่าเป็นชาวนรกหรือเป็นชาวสวรววรค์ทุกวะนและสังคมที่ที่มีความรู้มากสังคมที่มีคุณธรรมสูงคือสังคมที่มีวรระเรื่องเนี้ย เร่งไม่ตัดสินตัวเองหรือคนอื่นว่าเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์และสังคมแย่มากแย่มากก็คือสังคมที่ตัดสินเรื่องนี้ง่ายสังเกตได้เลยชอบตัดสินตัวเองว่าเป็นชาวสวรรค์ชาวสวรรค์ใครเหรชาวสวรรค์ใครนะใครเหถ้ากูไม่ก็สวรรค์นี่นละใครจะข้าล่ะ เหมือนเหมือนว่าก็จะพูดแบบนี้เลยดยการด้วยการว่าคนอื่นเน่ยว่าคนอื่นนี่ตกนรกตกนรกตกนรกและใครที่จะเข้าสวารรค์ล่ะก็ขนาดนี้เขาแจกนรกอยู่แน่นอนแจกนรกให้ชาวบ้านเนี่ยก็แสดงว่าตัวเองก็เป็นชาวสวรรค์ใช่ไหมนี่คืออัลละฮ์ซึ่งมันมันมนีนยะที่เราสามารถได้จากสำนวนเนี่ยอิวยูฮี ทรงล้ำลึกขณะที่พระเจา้าของเจา้าประธานองค์การวายูแกมาละอีกว่าอันนี้มากคุณมันเสมือนว่าเสมือนว่าเราจะต้องระวังถึงขนาดที่ต้องรวว و, อ, ลลอรา ว, วายูอัลลอฮ์อยู่กับเราเราจะฟันธงว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราเนี่นะอัลลอฮ์อยู่กับเรานี่เสมือนว่าเองมีวายูจตุหันแ ล, ล้ว เอามาจากไหนอะก็นี่ไงก็อัลลอฮ์น wa ี ata ata ่บอกกับมาเลย์ก็ตัวนบีเองนะไม่กล้าพูดซอบะเองน่ะที่เขาต่อสู้ขนาดไหนนิดรนน่ะนะไม่มีใครกล้าพูดวอ๋ออัลลอฮ์อยู่กับเรามาเลย์ก็ถูกส่งมาต้องมีวะฮิยูแล้วบมว่ามีวะฮิยูแล้วอัลลอฮ์ส่งกับนบีละนบีมาบอกแล้วเนี่ยจึงประจักษ์ละอัลลอฮ์อยู่ข้างอยู่ข้างไหนอยู่ข้างใครอยู่กับพวก อยู่กับอ๋ออยู่กับพวกเจ้าด้วยอันนี้ว่ายังไงอยู่กับพวกเจ้าด้วยรูปรูปแบบในการเข้าข้างแสดงเข้าข้างอยู่กับผู้ศรัทธาเนี่ยยังไงหนึ่งที่จะที่จะอธิบายว่าเราอยู่กับอยู่กับพวกเขาอย่างไงอ่ะนะดังนั้น พระสวิตุลดีนะฮะมณุพวกรเจ้าจงทําให้บรรดาผู้ศรัทธาทําให้บรรดาผู้ศรัทธามั่นคงถึกอย่าให้เขาว่นไหวอย่าให้เขาระสับระสายอัตถบิดยังไงคนเราในเวลาเจอสถานการณ์ที่มันวุ่นวายระสับระสายเนี่ย มันมีทั้งอาการภายในและกับภายนอกให้เห็นว่าตัวเราเนี่ยไม่มั่นคงอาการภายในเนี่ยก็คือหัวหัวใจเนี่ยวันไหวหัวใจนี่ไม่ไม่หนักแน่นหัวใจไม่หนักแน่นเนี่ยมีอยู่สองรูปแบบหนึ่ง คือไม่หนักแน่นกับหลักการสืบเนื่องจากว่าไม่แน่ชัด e mm. ในตัวหลักการไม่แน่ชัดว่ตัวเองทําตามหลักการหรือไม่ตามหลักการและที่สภาพที่มันเกิดขึ้นน่ะว่าตัวเองก็ไม่แน่ใจตัวเองนี่ไม่รู้ว่าทําตามหลักการไม่ทาหลักการเนื่องจากว่ากระบวนการตั้งแต่ต้นน่ะตั้งแต่ต้นไม่ได้เรียนไม่ไดศึกษาไม่ไดปรึกษาไม่ไดชูร้อไม่ไดไม่ไดถามไม่ได้ตาม คนนี่มีความรู้เรื่องหลักการนี่กาทำเองอะไรเองโอ้สุดท้ายนี่เฮ้ยหลักการนี่บอกไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็ไม่รู้เนี่ยวันไหวละแน่นอนเพราะเกิดความรัศมีรสาไม่นั่งไม่หนักแน่นไม่มั่นคงแน่นอนนี่ภายในความวันไหวความวันไหวเนื่องจากว่าเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทำให้หัวใจนี่ไม่เชื่อมัน่น ไม่เชื่อมัน่นในหลักการไม่เชื่อมัน่นในคำสัญญาของลระสุภณะวจายล่ะและนี่มันบางทีก็เกิดจากเรื่องกระซิบกระซาบของเชลตอนแม้กระทั่งในเรื่องในเรื่องในกิจวัตรเพราะ่อกิจวัตรที่ทำกันทุกวันนี้ะละหมาดอย่างอาบน้ำละหมาดแท้ๆนะ่นะแล้วก็เข้ามา เะอ่ า, านัตลรรมนะเชตตอนพูดคําเดียวอ่านนัตธรรมได้อย่งอางจริงบวอะไรอะไรอะอะไรอะไรของตัวเอง <c oughs> อพิ่อ่านนัตธมมันยังเปียกยังเปียดอยู่นะเชตตอนโยนเอาานงเอาง่านนัตธรมาด้อย่างจริงบัวหนังสืออิมโนคุดามาได้เขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยว่าเพจเนี้ยพวกมัวสวซิม มวสวาีนเป็นนามถูกร่างในสภาพขกรรมที่ถูกวสวาสประธานเนี่ยก็คือทีววาสในที่กระซิบเนี่ยก็คือชตอนอัลววาสมินชรลวซวาสิลขนสวสวาสนี่ก็คือชตอนนี้มันกระซิบอ ม, มยกูไ เ, เนี่ยกเ อ, เอาจากคำเนี่ยกระซิบใครอ่ะ พวกมัวสวสมีกรรมพวกที่ถูกกระสิบในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าบาปใหญ่ที่สุดที่พวกมัวสวสนี่มันทำเนี่ยคืออะไรเชื่อฟังเชตรอรอนละหมาดแท้ๆตามอัลลอ์แล้วนะยังเปียกอยู่นมาเนี่ยเอ็งเ อ, งอ็งอนละหมาดเอเออจริงว่ะไปอ่านละหมาดนี่อาน้ละหมาดแล้วเนี่ยครั้งสองแล้วนะเริ่มใหม่ แน่ใจเป่าจริงไปอีกอรบาสิให้ลังจริงล้างจริงเป่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ให้ใต้จมูกลังเกียงป่ะตรงเนี้ยเกียงป่ะเอาเอาอีกเอาใหม่เอาใหม่นกุำอก่าตทชัยนี้นี่มันเชื่อฟังจตอนหัวใจในวันไหวไม่หนักแน่นอูมร bin ا ل خ ط ا ب บ พอโดนอุบายครั้งนี้กับเชยตอนนะอ่ะนะนั่นและหมานเข้ามาเชยตอนบอกว่าเอ๊ะฉีปะ่ป่ะมีอะไรเม็ออกออกมาว่าแค่เนี้ยนขับรถเรื่องอะไรออกออกไปอ่านนั่นและหมานแล้วก็มาอีกเชยตอนก็มาอีกเราก็รู้แหละผมก็ดูกูเห็นฉี่ฉี่ฉี่รถน น, นี่กูจะไม่ออก ให้เห็นให้เห็นกันลังชีนกูจะก็จะไม่ออกไปเลยใช่ตอนบ่ายแล้ววันไหวครั้งแรกก็น่จบเลยเนี่ยนี่กิจวัตรเรื่องและหมาดที่เราเจอกันอ่ะแล้วก็บางทีอะไรในสังคเวลาต่อสู้กันเนี่ยเวลาต่อสู้กันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอี่ยงเรื่องเรื่องเรื่องรักไอไอกฎหมายคู่ชีวิตเห็นไหมแก เขาเอะไรนะไอ้ลงทัวนี่ทัวลงนี่ทัวลงเนี่ยโอ้โหเออถ้าหากว่าแบบว่าแบบสะดุดกลัวหน่อยเนี่ยไม่เป็นไรแต่แต่เปี่ยนน่ะนะเปี่ยนเปียเป่ยนแล้วก็เปียนไอ้หลงไปเลยนะคือหลงจริงเลยนะมันไปเลยอะ่ะมันแย่มากเลยหัวใจของเราเนี่ยวันไหวจริงๆ แล้วก็เอาสิ่งที่มันไม่ได้เป็นกระแสมาว่าเป็นกระแสเห็นคอมเมนต์เก้าร้อยนี่ไปเล่นเหรอยแสดงว่าแสดงว่าไปที่ชาตินี้บ้านเมืองนี้มีแค่เก้าร้อยมันเ่งมาคอมเมนต์นี่เองซุดเลยเหรอเองซาฮาบานนี่เจอเจอศัตรูนี่มากกันแสนคนอย่างเงี้ยทํำยังไงอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไ เป็นเป็นนะักคีย์บอร์ดนะถือดาบกันนะถืออาวุธนะ่ะไอ้นี่คีย์บอร์ดนี่ก็ขาสั่นกันแล้วเห็นไหมต้องรับผิดชอบมโนธรทมให้สังคมแตกแยกแตกแยกเพราะอะไรเพราะการ้อยที่เข้ามาเม้นนั่นแหละนี่หวั่นไหว ความหนักแน่นเนี่ยที่เราจะได้จากอัลลอสุบฮานาูวาจาลไม่จำเป็นต้องมีวาฮูนะแต่อย่างที่บอกว่ามันจะมีสัญญาณสัญญาณที่เราจะทุกคนจะตรวจสอบได้นี่ก็คือเรื่องตัวบทหลักฐานชัดเจนจุดยืนชัดเจนชัดที่ที่มันที่มันไม่คุนมเคือเลยนะ สร้างความสร้างความหนักแน่นผสมวิุล i c a นะฮะมันสุรษะนิสาอัลลอฮ์วะ و ل و أ ن ه م ف و ا مايؤولون ะพี่หนึ่ไม่จาเป็นต้องต้องมีมาเลย์ก้ามาบอกว่าฉันจะจะได้หนักแน่นนะจะได้หัวใจหนักแน่นทำไมอัหนึ่งสุรษะในกรณีที่ไม่มีมาเลย์กอัลล์ไม่ส่งมาลย์ก้ามาบอก ولو أنهم فعلوا ما ي ع ظ و ن به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ث ب خ ر ب ب ا ل ا ي ت ت ا و َ ل و ل و َ ت و َ ك َّ ت و َ ك َّ ل َ ت و تُوَكَّلَ ت ُ و و ل ت ل ت ُ و ك ت ُ ت ُ ت ُ و َ ت ُ و َ ت ُ ت ُ و َ ت ُ و َ ت و ت و ت ُ و َ ت แตนนี่มันมันปรงมากอะพอรู้ว่ามีมาเลยก็มาสูกราวน่นหี้นี่ก็ช่วยเล้ว่าอัลลอฮ์อยู่กันเราฟัสบิดุลละซีนั่มันุนินนินที่ผู้ศรัทธาเนี่ยจะรู้สึกคือรู้สึกหัวใจของเขาเนี่ยไม่ไม่วันไหวก็หนัน س أ ل ق ي ف ي ق ل و ب ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ا ل ر ع ب ك ت ي و ن ا م ق ل و ا ك أ و ب ي ن ِ و َ ت َ أ ب ن د َ ا ق ُ ت ب د س س ت ا س أ ل ق ي ف ي ق ل و ب ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ا ل ر ع ب َ ب ن م م ب خ ا ر ي ل م س ل م ك ا ل ن ب ي ب ق و ل นูซิร์ตุบิรูบิมสัสีร์ต์ชาฮร์ซึ่งดิฉันดาจากอัลลอฮฺซุห์บานุอัลลอฮ์อื่นจากประชาชาติอื่นอื่นจากบรรดานาบีและรัสูทั้งหลายทุกครั้งที่ฉันจะทําสงครามจะไปทําสงครามก่อนที่จะประกาศทําสงครามหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะศัตรูนีจ่จะหวาดกลัวอุลมามะบางท่านบอกว่า นี่ไม่ใช่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับท่านนาบีอย่างเดียวนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับทุกคนที่ยึดมั่นในแนวทางของท่านนาบีแล้วก็ต่อสู้ในหนทางของท่านนาบีประชิญหน้ากับกับคนที่กําลังทําลายแนวทางของท่านนาบีนะก็อัลลอฮ์ก็จะให้เขาเนี่ยหัวใจเขาเนี่หนักแน่นและจะโยนความกลัว ไปอยู่ในหัวใจของคนที่กำลังต่อตา้านแลเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูคนที่พาตัวหลงนี่เดี๋ยวค่อยดูมันจะเจออะไรนี่เริ่มและเริ่มเห็นนึกว่าจะจ ะ, จะพาตัวหลงทุกทุกโพสทุกทุกเรื่องแล้วแล้วมันจะชนะ ทั้งฝ่ายผู้ศรัทธาเนี่ยล l l จะให้สบิถุเลดีนันะหัวใจหนักแน่นแล้วก็ฝ่ายศัตรูนี่นะจะอุลกีในหัวลดีองเหล่านั้น Allah จะย่นความกลัวให้เขากลัวถ้าในยามที่มีการประทะแบบนี้ถ้าผู้ศรัทธาหนักแน่นแล้วก็ผู้ปฏิศรัทธาเนี่ยหวาดกลัวแน่นอน ปฏิกิริยาในการที่จะครองสถานการณ์นี่นะแน่นอนฟันดงได้เลยว่าใครจะเป็นผนะู้ชนะเราไก็เลยบอกว่าฟาด ضرب فوق เลานาคีฟด ضرب มันหมกุลบานานแล้วพวกเจ้าจงฟันลงบนก้านคอฟันลงบนก้านคอและจงฟันทุกทุกส่วนปลายของนิ้วมือจากพวกเขา อันเนี้ยมีฝ่ายที่ต้องการเป็ดเบือนแล้วก็แล้วก็ดูถูกทำลายอิสลามเนี่ยก็เอาอายะนี้มาบอกเห็นไหมอิสลามนี่รุนแรงตัวบทบัญญัตนินี่ตัวบทบัญญัติในกุรานนี่สั่งให้ฟันคออย่างเดียวสั่งให้ตัดมือตัดขาอย่างเดียวคือประการแรกอะ ไม่เล่าเรื่องให้ไม่เล่าเรื่องให้จบเรื่องๆไม่เล่าให้เรื่องนี้ไม่เล่าๆๆเรื่องให้จบ ก, ก็คือใครเป็นฝ่ายฝ่ายรุกใครเป็นฝ่ายปกป้องนะและนี่คื อ, อ, อพฤติกรรมของคนที่บิดเบือนความจริงทุกสมัยพฤติกรรมของคนที่ไม่กล้าไปเชิญหน้ากับความส จ, จริงทุกสถานที่ทุกเวลา ไม่พูดไม่เล่าหมดไม่เล่าหมดอายะ น, นี่เล่าให้หมดที่อัลลอฮ์พูดเล่าให้หมดเล่าถึงเรื่องอะไรเล่าถึงคนที่ฆ่ามุสลิมแล้วก็ขับไล่เขาออกก็คือเขาฟันคอมุสลิมเขาฟันเขาฆ่าชีวิตของมุสลิมเขาตัดหัวตัดคอของตัดมือตัดขามุสลิมแล้วขับไล่มุสลิมแล้วก็มุสลิมก็อยู่เขาก็เขาก็เขาก็ยกทัพไปจากมกักกะนี่เพื่อเจอเพื่อจะได้ไป ไปตาไปฆ่ามุสลิม น, นี่เล่าไปหมดสองไม่เล่าเรื่องให้สมความจริงแต่ใส่เครื่องทิพเพื่อสนองความความต้องการของอารมณ์ใส่เครื่องทิพถามว่า ไอตอนกองทัพพม่านยกทัพม า, ม า, ม, ามาตีมาตีไทยเนี่ยตกลงเขาเอาสำลีตีกันนะฮะแล้วเขาเอายาพริกไทยนี่ฉีดเ่พริกไทยฉีดฉีดหน้าฉีดตหรือเขาฟันคอรหรือเขาตัดมือตัดขา และแม่ทับตอนนั้นน่ะแต่เขาสั่งสั่งให้บุกสั่งให้ลุยนะ่ะสั่งให้ลยุยทำํำไมตบหน้านี่นหะนี่ น, นี่อย่างงั้นเลยเนดะ็กลงก็สู้กันอย่างงั้นนะ่ะตรงคาตัวก่อนนุ้นน่ะเขาไม่มีปืนนะ่ะไม่มีปืนเล็กไม่มีปืนใหญ่ถึงจะมีปืนเล็กปืนใหญ่แล้วก็มีปืนเล็กปืนใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยไอ้ปืนที่เขายิงฆ่ากันเนี่ยโดยไม่มีตัวบทเลยนะ ไอ้ที่ยิ่งฆ่ากันสงครามโลกครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยแล้วก็สงครามที่เขาไปทํากันเนี่ยระเบิดปรมาณูอะไรเนี่ยอันนี้มันอะไรอ่ะมันมันฟันคอตัดมือตัดไม้กันมันระเบิดศพไปเละเลยอ่ะมันไม่เหลือมันสิ้นสิ้นสิ้นซากเลยอ่ะมันไม่เหลือเลยอ่ะแล้วอันไหนอ่ะที่มันกรุณากว่าล่ะไหนที่มันเมตากว่าล่ะฟันคอแล้วก็สิ้นชีวิตเลย ยิงธนูแล้วก็ทะลหัวใจเนี่ยอะสิ้นชีวิตเลยนี่คือโหดที่สุดแล้วน่ะนักรบเนี่ยเขาจับมือนี่ก็จะได้ยับยั้งนี่ก็ตัดมือเขาเ น, นี่เพราะนี่คือความจริงของสภาพสงครามในยุคนั้นน่ะจะให้เขาปกป้องตัวเองยังไงเนี่ยเขายกทับยกอาวุธยกอะไรนี่จะได้มาฆ่ามุสลิมจะให้มุสลิมปกป้องเขายังไง อ, ะอ่ะอัลลอฮ์ก็บอกว่าฟันค้อก็ดีตัดมือก็ดิเพราะมันเป็น สภาพ ก, การเติมสงครามในยุคนั้นไม่ต้องมีตัวบทไม่ต้องมีตัวบทจะสู้รบกันยังไงในยุคนั้นแต่เห็นไหมอิสลามสั่งให้ฟันคอแล้วก็ใช้แล้ก็จะให้อิสลามสั่งให้ปกป้องยังไงอ่ะแล้วใครจะปกป้องชีวิตของตัวเองอ่ะจากคนที่กําลังคุกคามจะมาฆ่าชีวิตเราอ่ะเขาถือดาบถือปืนถืออะไรเราจะทําอะไร อเมริกาเนี่กลัวญี่ปุ่นที่ไปยึดเมืองนูน่นยึดประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยส่งลูกระเบิดลูกเดียวสิบห้านาทีนี่เสียชีวิตสามแสนสามแสนนี่คือสิ้นซากนะไม่มีนะไม่มีศพไม่มีหัวไม่มีอะไรเลยไอ้ที่เหลือนี่นะไอ้ที่มีหัวเหลือมีมือมีอะไรนี่นะนั่นในยี่สิบสามสิบปีเนี่ยทุกวันนี้เนี่ ลังสีนี่ก็ยังยังตามรักษากันอยู่ลังสีปรมนณูไอ้แบบนี้มีความชอบทำตรงไหนมันไม่ได้เล่าเรื่องให้มันสมความเป็นจริงทำให้คนเนี่ยหลงประเด็นหลงประเด็นแล้วก็จะชอบหยิบยกอายแบบนี้เพราะฉะนั้น คำนี้ในะฟอรรีบูเฝ้ากล้มันก็เป็นสํานวลนั่นแหละสํานวนก็หมายถึงว่าก็ฆ่าชีวิตเพราะอะไรเพราะเคามุ่งที่จะมาฆ่าชีวิตเาขาเขายกทัพมาพันหนึง่งแล้วเรามีสามร้อยคิดว่าของกูเรชเนี่ยเขายกทัพมาพันคนจะได้มาเลี้ยงเลี้ยงเนื้อกระทสามร้ 300. อยเขายกทัพพันคนเนี่ยเพราะเขารู้ว่ากองทัพของมุสลิมเนี่ยก็มีแค่สามร้อยกทัพพันคนน่ะนะ แต่ได้กวาดล้างเลยให้ไม่เหลือเลยใช่ไหมเหตุนั้นก็เป็นสํานวนฟันฟันก้านคอนี่ก็หมายถึงว่าเขาจะมาเขาจะมาฆ่าเราให้สิ้นซากนะแต่ใครที่เข้ามาเนี่ยที่เป็นศัตรูที่มุ่งที่จะมาทำร้ายนั่ยก็ฆ่าเขาก็เป็นสํานวนใช้สํานวนฆ่าเขานี่ยคือฟันคอนสไนเปอร์ที่เขาเขาฝึกตาม ตามไข่ทหารเสเนเปอร์ยิงแม่ในนะให้โดนผมนะเว้ยโดนเส้นผ ม, มเขาส อ, อาจารย์นี่ค่อยสอนสเนเปอร์เนี่ยยิงแม่ในให้โดนอะไรเขาใช้อะไรเขาเขามีคำศัพท์อะไรของเขาด้วยนะคำศัพท์เฉพาะเลยนะแต่เป็นเป็นที่รู้กันนะเขาเขาาไม่บอกว่ายิงหัวนะอ่าเขาจะมีคำศัพท์อะไรของเขาเฉพาะ ก็นันหมายรวมว่าอะไรหมายรวมว่าในในเรื่องการนาสงครามเนี่ยมันก็มีคําศัพท์ที่เราจะต้องเล่าแล้วก็ให้คนเข้าใจไงว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงไม่ใช่ตัดตัดบทจากข้างหน้าเห็นไหมอิสลามสั่งให้ฆ่าให้ปันคออันนี้ไม่แฟร์ไม่แฟร์แม้กระทั่งไม่เล่าไม่บอกว่าเนี่ยอาญาเนี่ยสำหรับสําหรับกองทัพของมุสลิมที่มีแค่สามร้อย ที่ขี่มานี่มีอัลมิกดาดอยู่คนเดียวสู้กับกองทัพของมุสลิมเนี่ยหนึ่งพันคนขี่มา ก, กันสามร้อยดาบมีดตะนูของมุสลิมเยส่วนมากมีสนิมขึ้นแล้วคือเล่าไม่หมดไงเหตุใพอจะรู้ว่าสถานการเป็นแบบนี้เนี่ยออก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์สั่งเขาบอกว่าเขามามุ่งที่จะมาทำลายเราให้สิ้นซากเนี่ยพวกเรานี่ฆ่าเขา อย่าอย่าปล่อยให้เขาเนี่ยมามาทำลายเราพอเล่าแบบนี้เนี่ยออมันก็พอจะเข้าใจว่าว่าไอ้ไอ้ที่ฟันคอไอ้ฟันมือนี่มันก็คือสถานการณ์ของสงครามอ่ะเขาไม่ได้มาปาร์ตี้กันมากินเนื้อกระทะกันเขาทำสงครามสงครามเราก็รู้ว่าสงครามนี่ ดริบวดริบูมินุละฟันทุกทุกส่วนปลายของนิ้วมือทับพวกเขาคือที่จริงถ้าไม่มีเหตุการณ์คนที่เขาเอาที่จริงอะในตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยคนทีเกียรติชังอิสลามไม่มีใครจะเกียดชังอิสลามที่เขาพอมีอารยธรรม และความรู้ที่จะใช้วิชาการตอบโต้มุสลิมเนี่ยไม่มีนะดีกว่าตะวันตกเพราะตะวันตกเนี่ยเขามีความรู้เขาเป็นวนมากเขาเป็นชาวคัมภีร์เนี่ยแล้วเวลาเขาทำสงครามโคเซเนี่ยสงครามโคเศตเนี่ยประมาณเจ็ดระรอกนะเจด เเที่ยวตลอดระยะเวลา 1,000 พันปีเริ่มตั้งแต่ปีที่400ฮหินรสการาดถึงปี ป, ป, ปีประมาณถึงปีพันหนึ่งถึงพัน0้นี่ก็ประมาณหนึ่งประมาณ700กว่าปีเจ0รกว่าปีนี่จะเกิดทุกปีนี่ก็จะมีละลอกมานี่เป็นเป็นกระแสะสงครามโกเซตพวกอาณาจักนี้ก็จะส่ง ส่งกองทัพนิมัตมาบุกโลกมุสลิมแต่รอกสุดท้ายเนี่ยเป็นสงครามโคเซตในปีกระแสที่ใหญ่ที่สุดนีในปีที่เก0ร้อกว่าเนี่ยกษัตริย์กษัตริย์ของฝรั่งเศสหรือบัลเจียม จะไม่ได้ที่นำทัพสงครามโคเซ็ตก็มาประท่ากับกองทัพมุสลิมอยู่ที่อียิปต์แล้วก็ถูกจับเป็นเฉลยศึกกษัตร์แล้วก็ต้องถ่ายโทษตัวเองะนะด้วยทรัพย์สินมหาศาลเขาบอกว่ากษาัตริย์องค์นี้เป็นคนแรกตอนที่ถูกจับเป็นเฉลยศึก คือนั่งสมาธิคิดในในคุกว่าสงครามโคเศตเนี่ยทำกันมาเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยไม่เคยเอาชนะมุสลิมสัทีอาวุธของเราของทัพของเราไม่เคยเราจะต้องใช้สงครามอีกด้านหนึ่งหลังจากนั้นนะพอถ่ยตัวแล้วเนี่ยกลับไปเนี่ยก็ไปประชุมกับโป๊ประชุมบ เสนอที่จะเริ่มสงครามใหม่สงครามด้านความคิดยุติสงครามโคเซ่เริ่มพัฒนาประเทศตะวันตกเอาความรู้ของมุสลิมนี่มาพัฒนาประเทศของเราก่อนแต่สู้รบด้วยความคิดโดยการเขียนหนังสือด้วยกันเขาก็ทําหนังสือทําลายอิสลามอะไรเนี่ยที่ผมจะถึงจุดเนี่ยหนังสือที่เขามุ่งที่จะทําลายอิสลามมะนะ เขาไม่เคยเอาเอาเหตุผลเลอะเทอะแบบเนี้ยดูสิคุณอ่านบอกว่สั่งให้ฟันคอเลอะเทอะไม่มีนะคือชาตวตะวตันตกนี่เขามีความรูพ้พรเขาไม่ไปดูสิกุณอ่านก็สั่งให้ทําไมอะ่ะสงครามโคเซนนี่เขาก็รู้กันว่าเขาทาอะไรกันมาเขาก็รู้กันนะว่ายามสงครามนี่มันต้องเป็นอะไรใช่ไหม ขที่เราจะต้องมาพูดและอธิบายยาวนานแบบนี้เพราะมีมุสลิมบางคนนะอย่าว่ามุสลิมมานักวิชการบางคนออกมาเขียนบทความบอกว่าบทบรร ญ, ญตัตบางบท บ, ง บ, ง, บ, ง, บงบางบทบรรยัญญตในาศาสนาของเร า, าศาสนาบรรญัตของเราเนี่ยบางทีมันก็ต้องสังคายนาเพราะผมรู้สึกอับอายเพราะมันรุนแรงให้เหตุผล กับคนที่ตําหนิว่าเรามีก่ออิดามีไอซิสมีอะไรนี่แล้วก็อ้างว่าก็เกิออิดาก็ไอซิสเนี่ยก็บอกว่ามันมีตัวบทแบบนี้เนี่ยตัวบทโหดเหี่ยมรุนแรงที่สอนในมุสลิมนี่ยฆ่าคนอื่นเนี่ยผมก็รู้สึกอับอายเหมือนกันนะว่ามันก็มีขอ้อเท็จจริงวะคุอามันก็มีอายะบทบัญญัติที่มันรุนแรง <laughs> อย่าเป็นอย่าเป็นผู้รู้เลยอย่าเขียนบทความเลย แค่เจอเหตุผลอะไรหนึ่งายเลยผมอับอาย<ะ>อยู่กับพ่อแม่เห็นความบริสุทธิ์เห็นพ่อแม่เสียสละให้เราแต่พอไปเจอเพื่อนเอ้ยพ่อแม่แกอย่างมุ้นอย่างนี้เ น, นี่ยไปบอกผมรู้สึกอับอายว่าพ่อแม่จอย่าเป็นลูกพ่อแม่เลย<ม>เลิกเป็นลูกพ่อแม่ได้เลย<ม>ถ้ามีคนกระซิบหนึ่งอ่ะกระซิบนิดหนึ่งอ่ะ กมดศรัทธาในตัวพ่อแม่ว่อย่อย่าเป็นลูกพ่อแม่ดีกว่าไม่ต้องมารอหรอกไม่ต้องมารอกับอิสลมามบอกว่าเราต้องสังเยุงสังเยราะนาเนี่ยมึงเลกเป็นมุสลิมง่ายกว่าใช่ปะง่ายกว่าคนนึงออกจากอิสลามมานะง่ายกว่าทีา่จะอ่านกุต้านนี่มาลบแล้ว เ, เป็นไงพันหรอยปีนึ่มีใครทําสําเร็จละ่ะเองออกจากอิสลามนี่มันง่ายกว่ามัง้ง อย่าอย่ามาให้เหนื่อยใจเลยมันมันเหนื่อยมึงดีฟังเออบางก็ก็พูดจริงนกันนะเออทถึงงอธิบายเรื่องนิดนิดหนึ่งกันะเพราะบางทีเนี่ยกระแสที่เ็าโตมาโดยเอาบทบาทเนี่ยเขาทำให้ทำให้เราเนี่ยหมดศรัทธาในบางส่วนผมไม่ได้บอกว่าในกุรอ่านนะนะ เออบางคนเขาก็ยังละหมาดเขาก็ยังเอาปฏิยามาอ่านแล้วก็บอกว่าบางส่วนของุทอ่านนี่ผม ก, ผม ก, ผมก็ผมก็รู้สึกก็สึกไม่ดีเหมือนกันนะบงังอะไรมนุษย์เขาแค่แต่งสำนวนนิดหนึ่งคุณก็จะเสื่อมศรัทธานในพระเจ้าเสื่อมศรัทธานในบทบญญญติของพระเจ้าั้งทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่ได้ศึกษาอย่างรอบค้อบอะมนาะย่งยังยัง ต้นกับปลายยังจับไม่ถูกเลยเนี่ยมาสรุปแล้วล่ะว่าอเออ ม, มันก็มันก็มันก็ใช่เหมือนกันใช่อะไรเองยังไม่ไเรียนอะไรมันไม่รู้อะไรเลยอะมาสรุปคร่าวๆกันเยอะมากเลยคนบางคนนอบูญะในสงครามบัสที่เป็นส่วนหนึ่งของแม่ทัพที่ยกทัพมุชริกินในสงครามบัสเนี่ยในสายแรงงานเนี่ยบัสท่านอื่นในสงครามรนี่ที่ จงฟันคอจงฆ่าพวกมหฮัมมัดเพราะมันสร้างความแตกแยกในหมู่คณะพวกเราและมันปฏิเสธอัลเลาะห์และลก็อัลรุ่งาเนี่ยที่ไปที่มาก็คือแม่ทัพของเขาเนี่ยเขายกทัพบอกว่าฆ่ามันเลยใครที่ดูหนังนี่ก็จะได้ยิน เตียนคำนี้บ่อยไหมล่ะไอตอนเจอกันน่ะคณะเลี้ยงําแดงมันเลยอย่างไง อ, อ่ะไ อ, อสามก๊กอะไรพวกนั้นน่ะฆ่ามันเลยไม่ใช่หอรอไอฆ่ายังไงอก็นี่อบูยะเข้ามาเนี่ยพอเจอแล้วนี่กองทัพของมุสลิมมันนะฆ่ามันเลยเพราะมันสร้างความแตกแยกในหมู่คณะแล้วมันละทิ้งมันไม่ยอมรับในอัลเลาะห์ العز نين هي ا ل و ن د ي الله بوا فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان ك ا ن ه ا ن การ ا ب و مي ا ك مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي م مي مي مي مي م مي م مي مي م مي ي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي م مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي مي ฆำามันเลยเพราะมันสร้างความแตกแยกในหมู่คณะและนี่พุทธที่จะได้ยินบ่อยได้ยินบ่อยกับคนที่ไม่ค่อยยอมรับกับความจริงที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงสังคมสังคมในปราคุบเคยชินกับส่วนมากของความชั่วสังคมของเราเนี่ก็เล่นการพนันดันตตอรี่กินเหล้ากันผมก็สงสารก็ต้องยอมรับ อ่านกตานีไม่เชื่อเลยนะว่ามีคนพูดแบบนี้มุสลิมเราทันตันติกเราไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะนี่คือนี่คือนี่คื อ, น, คอนี่คือความอ่อนไหวที่มันที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงขณะของสถานการณ์ประทะระหว่างความจริงกับ ความทดคนที่ขาอ่อนคนที่สุดลงยังไม่ทันอะไรแค่เห็นคนเยอะมาเลยเนะีย่ยเฮ้ยพามาตายกันอ่ะเนี่ยพากันมาตายใช่ไหมมุสลิมเบื่อสันติพากันมามาสร้างความแตกแยกในสังคมคุณคุณ นี่มันไม่มีคําพูดไม่มีคําพูดของมุสลิมนี่เป็นคําพูดของอบดุลเจลน บ, บีสร้างความแตกแยกในหมู่คณะของพวกเราแต่เราจะมาบอกว่ามุสลิมเนี่ยเรียกร้องสู่ความถูกต้องเนี่ยสร้างความแตกแยกในสังคมตรงไหนอ่ะความถูกต้องเนี่ยว่าของมุสลิมมาน่ะไม่จําเป็นต้องความถูกต้องที่มาจากอิสลาม ไม่ต้องนะส ส, สนี่ตอนเขาออกมาบอกว่าให้เล่าเท่ากับแช่งช่วงแรกๆเลยอ่าเทียงไม่มีกระแสะเรื่องนี้อะ่ะการให้ของขวัญปีใหม่นี่เป็นเล่าอะนะมันมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครเลยนะกล้าที่จะบอกว่าส ส, สนี่ มาสร้างความแตกแยกในสังคมมันเป็นความจริงอะทําไมอะพอเอาเหล้าไปให้คนกินนะก็เท่ากับคุณกําลังเอาไหายนะอะกําลังแช่งเขาไงเอาไหานะไปให้เขาอ่ะเขาพู้จริงไหมล่ะเถียงไม่ลงเลยอ่ะแล้วใครที่เถียงอะนะใครที่เถียงอะน ะ, ะนะเขาก็สวนกลับเลยก็จริงไหมล่ะอยว่าจีบนะกินเหล้านี่ ว, น ว, นวันละแก้วนี่ก็ก็ โดนเหมือนกันนะก็แย่เหมือนกันน่ะสุขภาพก็แย่สุดเหมือนกันสูบบุหรี่วันละม้วไม่ต้องสูบนะแค่มีคนข้างๆนี่สูบแล้วก็ตัวเองนี่นั่งอยู่เฉยๆนะสูดจมูกสูบบุหรี่ควันอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งมันเด็กเด็กบางคนเนี่ยไปตรวจหมอถามว่าเด็กสูบบุหรี่เปล่าครับ คุณพ่อคุณแม่สุบุรีแต่มันเข้าหมดไงนี่ความจริงแบบนี้เนะี่ยมันไม่ต้อมีตัวบทเจตสสนาเนี่มารองรับนะถ้ามีใครมาอ้างสัจธรรมแบบนี้สั่งความแดดเย่ะคนสุบุรีเขาไม่สบายใจ <laughs> คนเสบยาเสบยาเขาไม่มีความสุขคนกินเหล้าเขาไม่เขาเขาไม่ไม่อินเขาไม่ ไม่สมมงัดแดลิกะกาที่จะต้องตอบต้เขาเนี่ยที่อัลลอ์สั่งให้ตอบโต้เขาเนี่ยด้วยการฆ่านี่นะแดลิกะนั่นก็เพราะว่าพวกเขาฝ่าฝืนนี่ก็นี่ก็เป็นการโต้เหตุผลของอับูญ้นะว่ามุฮัมมัดดสร้างความแต่แก่ใช่ัหแดลิกะเบบน้นใชกุลลอฮ์และ رسول ฝ่าฝืนและต่อต้านอัลลอฮ์และ ر س ู ل ของพรกนั้นว่าช่กูดี้ก็คือ ทำให้เราใช้คําเนี่นยช่กูไปว่ามาจากอชิกชิกไปว่าทำให้สังคมเนีย่ยสังคมมนุษย์เนีย่ยแตกเป็นสองซี่ชิกันนี่ก็คือคข้างเนี่ยข้างหนึ่งอันนี้ก็ข้างหนึ่งแล้วก็ต้องต้องตายไปตายไปข้างหนึง่งชาไปข้างห น, นึ่นะนงนี่ไปซี่หนึ่งเนี่ยเชิกชิกไปว่าข้างหนึงนะ่ง ทำไมอ่ะเพราสังคมมนุษย์ที่ Allah สร้างมาเนี่ยล้วนมีฟิตรามีความบริสุทธิ์และคนที่ต่อต้าน Allah ต่อต้านพระดำรัสของพระองค์เนี่ยก็เท่ากับแบ่งแยกสังคมแบ่งแยกสังคมมนมุษย์เนี่ยให้มีข้างหนึ่งที่ศรัทธาแล้วก็ข้างหนึ่งที่ไม่ศรัทธาวไม่ใช่ที่อิลล่าฮ์แะรสนี่ซูร์ ا ل ح ي ه ا ن وما يشاق تلله ورسوله وما يشاق تلله ورسوله ل ف و د ي ف ا ف ل ت ط ا ن ا ل ل ه ل ر س و ل ه و د ا ف ُ ر ل ت َ ن ا ل ل ه َ و َ ر َ س ُ ل ه ُ د ي ْ ف ا ر ل َ ت ن ا ل ل ه و ر و ل َ ه و ر ت َ و َ ط َ ن َ ل ل َّ ه َ و َ ل َ ل ลงโทษในโลกนี้ยังไงแล้วโลกหน้ายังไงเราต้องยกรอดไปคุยกันไว้อธิบายกันในครั้งต่อไปนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นก็จะฝากให้พี่น้องได้ใส่ใจรุนแรงในการที่จะทำความดีในสิบบทรแรกของสุลัยยะ mm hmm. ซึ่งจะเริ่มแล้วตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปวันที่หนึ่งสุลัยยะนะครับอยู่ในวันอันประเสรศิฐเวลาอันประเสริฐยิ่งตลอดปี ลามะบท่านบอกว่าประเสริฐกว่าช่วงกลางวันของเดือนรอมฎอนด้วยซ้ำมาใน أ ม ا م العمر الصالح فيها حب ا ل ل ن هذه ا ل ع ش ميم كان عن تيرجبي ت م ي ในช่วงเวลาดีกว่าการทาความดีในสิวันแรกของสุไลจ์ก็ฝากไว้กับพี่น้องนะครับบัสละลออข้าร้านบินะมุฮัมมัด وعلى آلي ي و س ل م و س ل ل ي ح